เรื่องที่สก็คาดเกี่ยวกันกระหว่าเอกสารชุดใหม่วันนี้กับชุดที่แล้วนะครับในหน้าท้ายเรื่องที่สี่นั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งของความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพระพุทธเจ้าในเรื่องที่สี่มีชื่อเป็นภาษาบาลีว่านวัตตัง ที่แปล ว, ว่าไม่ถึงกราบทุทธศากทินังไอแกพระพุทธเจ้ามหาพัน ล, ลันติคือมีผลมากพโารวมความแปลว่านิกายหนึ่งคือนิกายเวรุลกาณในั่ละตัดเลยมีความเห็นว่าไม่ควรจะพูดว่าทานที่ถวายแตรพระพุทธเจ้ามีผลมาก ควรจะกล่าวนั้นก็คือว่าเข้าปฏิเสธทิษฎีนี้หรือหลักความเชื่อนี้ว่าการที่ไปเที่ยวสอนที่ไปเที่ยวบัญญัติว่าถวายทานแก่ระพุทธเจ้าเป็นผลมากนั้นมันไม่จริงเพระฉะนั้นคราพูดคำนี้นั้นจึงมีความหมาย เ, เป็นสองอย่างนะครับอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้พิจารณานครับอย่างหนึ่ง หมายคือไม่มีผลเลยหรือนะครับอย่างที่สองก็คือมีผลน้อยพราะไม่มากก่อน้อยจงที่ว่าน้อยนะน้อยกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะพักกระสุกสูตรหนึ่งโดยสาระขึ้นมากา่าดมาดูก่อนว่าตรงทีง่จะไปตรงแสดงไว้ในกระสสูตรหนึ่งว่าโดยบุคคลนั้น เราทําทางแจกไครได้ผลมากที่สุดแล้วก็ทำคาทางแจกใครได้ผลน้อยที่สุดเพราะนั้นที่ว่ามันมีผลมากในจะหมายถึงน้อยกว่าที่น้อยที่สุดอยู่แล้วในพุทธพจน์อย่างนั้นหรือไว้พิจารณากันทีหลังเราก็มาเริ่มกันที่คําถามที่สกาวทีได้ตั้งปัญหาถามในข้อที่หนึ่งเลยทีเดียว เราได้ถามว่าไม่พึงกล่าวว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจา้ามีผลมากหรือพระวจีกระสอบก็ใช่นะครับงนั้นเราก็ดูคําถามที่เราถามไปเนี่ยนะครับคําว่าทานที่ถวายแาก่พุทธเจ้านั้นตหมายถึทานอะไรเราคงจะไม่สงไปสั ย, ยนะครับแต่ก็จะลองสร้างปัญหาให้คิดกันนิดหนึ่งก็ดีเพราะว่าทานมีสี่อย่าง อย่างหนึ่งที่เป็นเลิศก็คือธรรมารทานธรรมทานที่เราถวายพระพุทธเจ้าได้ไครับได้มั้งครับอย่างเราเนี่ยสยาาักษาวถวายธรรมทานแด่พระพุทธเจ้าได้หได้ในกาเท่ยงท่านบายกรโมคขลานะเคยกรกุพระพุทธเจ้าเห่านะครับในการเท่ให้ฟังประมาหัสสปาก็เคยเทศงให้พระพุทธเจ้าฟั ง, ฟงารีบุตรก็เคยเทศให้พุทธเจ้าฟั ง, ฟง นี้ก็มีอยู่ในบ้านใดบีดกจริงๆนะครับแต่เรื่องเช่นนี้าบ้านชาวบ้านเนคง จ, จ, จะไม่มีโอกาสอันที่ยิ่งใหญ่หนึ่งคืออาภัยทานบุคคลอาจให้อาภัยทานแก่พระพุทธเจ้าได้อยู่ไหมอย่างเช่นถ้าเทวทัศนนั้นจองร้างจองฐานพาระพุทธเจ้าตลอดถ้าถ้าเทวทัศ ท่านเกิดจยากดีคืยอยอมยกเลิกการจองเวรจองกรรมหรือว่าเป็นอาภัยไหมถือนะครับถือว่าเป็นการให้อาภัยไหรือทั้งที่พระุทธเจ้าไมันจะมีภัยอะไรกัเดี๋ยวเราเจ็บไหมคแต่ถือรนะฮะเหมือนเราเนี่ยตัดมือไม่ได้มาทาอะไรเราเลยเราเรามันมาตระมัดหรือไปตามยิง ม, มันในป่า ทั้งที่ศาลไม่มีความแต่เราก็เกิดคำเลือกขึ้นในบางคนนะที่ไปเกิดคำเลือกขึ้นในปา่าก็ยอมปฏิญาณในที่นั้นว่าต่อไ ป, น, ไอไ ป, อไปอนี่จะไม่ยิงตันงดอกแล้วเรไปยิงเอาไอ้แคนี้แม่หลงอ่อนอไม่เห็นตาสะเทือนใจก็ในเรื่องก็ถือว่าเป็นอภักยในทางบาะฉะนั้นก็อาจให้พระพุทธเจ้าได้แล้วท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิหาร ปฏิทานหมายถึงส่วนบุญการให้ส่วนบุญให้แกพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ยังเลาให้เราให้กันได้ใช่ไหมครับปฏิทานเราทำบุญมากที่สูงส่วนได้อีกคนหนึ่งเขาอนุโมทนานก็ได้บุญแต่ว่าเราก็ได้บุญแล้วก็ไม่เหมือนกับเบ ล, ล็ดเพราะว่าเบล็ดนั้นเมื่ออนุโมทนานแล้วจะได้รับผลทันที ต, ตามหลักนะครับอย่างเราไม่ได้ผลอย่างที่เปล่งได้ทีนี้ปัจฉะอาหารหันเนี่ยอันนี้หางปฏิการในท่านทําบุญทิพย์บุ่ฝ น, นได้ก็ได้หรือท่านให้ได้แต่ว่าท่านท่านรัก บ, บุญที่คนอื่นทํำแล้วขออนุโมตนาหรือขอบูชาท่านผู้ให้นั่นชื่อว่าให้เชื่อให้นะครับแต่ผู้รับเนี่ยอนุโมทนาได้แต่ว่าไม่ เป็นบุญเหมือนสร้างสายาบาตรนะว่าบุญที่สรผลได้การหลังล่าหลานนทะั้งทั้งที่ล่าหลานท่านไปไ่นเกิดบุญทือบุญในยัวมีบุญในตัวทัานเองแต่ท่านมีกิริยาชนิดหนึ่งที่ท่านทาด้วยความรู้สึกที่สายและคนอื่นนุโมทนาในบุญกิริยาท่านก็ได้บุญไปทั้งทั้งของท่านแล้วเป็นกิริยาแท้แท เพราะฉะนั้นอะไรตรงนี้ก็ได้คือเราทำความดีแล้วที่เห็นว่าลูกเจ้าเด็กตรงอนุโมทนาคนอื่นบ่อยๆเนีบางทีท่านจะมาในมองแนนี้อะไรเขาอย่างยิ่งในพุทธุพานนองพุทธุพานนี่นะครับคือความรู้สึกที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับการอนุโมทนาหรือความคลอยยินดีหรือความดีอื่นๆซึ่งบางคนเขาเพิ่มมาในมาบอกเอาไว้ บางคนนั้นเขาถวายอย่างเราเนี่เราทําบุญบางอย่างอย่เช่นการบูชหรือการทําบุญอุทีศตัวแก่ศาสนาแล้วเราก็ตั้งจิตอุชิถวายเป็นพุทธบูชาเชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ได้ให้สบุญเอนกันแม้ว่ารวิจารจากปรินิพานไปแล้วก็ตามแต่เป็นเรียกว่ามันเป็นกิจการตาขาของการนั่อยู่ ที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีคู้รับจะต้องเป็นปฏิฐานเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจกถวายผู้เจ้าได้อย่างนี้แต่สำหรับความหมายในที่นี้ท่านหมายถึงอารมิสภ า, านหมายถึอารมิสฐ า, านในการถวายอาหารบิณฑบาตเป็นต้นแก่พระผู้มีพระภาคแล้วก็หมายเลยมาถึงอในชัน้นรองหลัง ก็ถือว่าเป็นสงคราะหเป็นได้คือการบูชานะครับการบูชาบุคิลอะไรต่างๆบูชาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนางมณิกาภ <c oughs> รยาของอันราเซนาบุดีซึ่งเป็นสตรีอีกคนหนึ่งในั้งพุทธการที่มีเครื่องประดับมาหาลดาต่าในตอนทนี่พวกกระตะเมืองพุินารากำลังแห่ประสบ เพื่อที่จะนำออกไ ป, ปตาาั้งตะวันตะเพลิงที่มากรุ น, นาน迦迪ก็ออกไปทางประตูทิศหนึ่งนานได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็นําเอาเครื่องมหาราบกษัตรนั้นไปถวายในการผู้งานว่าเป็นผ้าุูศพตั้งแต่พระศีลเราทั้โจกประบาเป็นการทาทานกับพระรูยาผู้รับผู้ไม่รู้เรื่อง แต่ก็ถือว่าเปลนในลักษณะของการบชานะการบูชาเนี่ยก็ถกพรกเป็นเรื่องของทามได้เพราะฉะนั้นในที่นี้หมายถึงองันวิสัยและถ้าตามตรงนี้นะครับเขาจะหมายเฉพาะการถวายทานในกรณีที่พระพุทธ佛法ยังตรงมีผู้ชมอยู่อันนี้นที่เป็นความหะายหลักนะครับอย่าลืมก็หรือจากอธิบายเป็นปริยายก็ได้ แต่ถึงแม้ว่าเรื่องจะเกิดขึ้นหลังจากพุทะธะปณิพนังไปแล้วร้อยปีเศษถึงสองร้อยปีแต่เขาก็พูดถึงเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่ถามกันว่าให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเพื่อมิทานนั้นมีผลมากไหมทีนี้เขาว่ามีผลมากนั้นที่เราเข้าใจนะว่ามากหรือเราเชื่อนะว่ามากนั้น เราอาศัยอะไรเป็นเครื่องเคื่อเป็นเครื่องยืนถามอย่า ง, างนี้นเราก็ดอบได้่าเราอาศัยคำ ข, ของพระพุทธเจา้ามาเป็นเครื่องยืนหยางทรงตรัสไว้ในที่สำคาญที่ไหนก็ตงรงตรัสไว้ในทักทินาวิพังพสุในพระไตรใน อ, อมติมรรการาริยปันา วงที่นั่นไม่ทรงไตรถึงทานที่ถวายแข่สงศ์หมายถึงลายแต่รูปทิเจ้าไปโดยตั้งถึงในฉาบนี่แะได้ทรงแบ่งแรง้เป็นสองคะแนนทางอย่างหนึ่งเป็นปาติบุคคลิกทานปาสิบุคคลิกทานนั้นหมายถึงปาสิบแลว้วจะพ่อจะจบบุคลิก็คือบุคคลนั่นแหะบุคคลคือทานที่เป็นไปในบุคคล อย่างจับจงหรือเฉพาะตัวคนท่านคนนี้นี่เป็นแง่หนึ่ ง, งเพียงมหาวิจาียบกันโดยทานอย่างเดียวกันคือปากจีนบริการให้ใครได้ผลมากที่ดุให้ใครได้ผล น, นอที่ดุในตรงลำดับว่าเป็นดีสีแต่แล้วก็ทานอีกอย่างหนึ่งคือให้เป็นพนักให้เป็นพนักอีกโพวกนะครับที่เราเรียกกันว่าสัางฆทาน สัญลักนณ์ท่นดีนี้ได้กลายความหมายออกไปบ้างจึงจะต้องมีการให้กันอย่างกี่รังให้ให้กันอะไร แ, แต่ที่จริงสัญลานนะความหมายทางตัวหมายถึงเรา ท, ำทํำถวายแก่สงตั้งแต่กี่รูปขึ้นไปถึงจะเรียกว่าสัญลักกี่รูปอตามร่า ง, งดีกว่าแต ร, รูปร้องโงงสงสิบางที่เราไปนิยมให้กันาดจะให้เจ็ดหรือมากกาท่านั้นกแล้วแต่แ นะครับตามสะดวกก็ถือว่าเป็นสถานก็เราไม่เลงเอาใครคนใดคนหนึ่ที่เป็นประเทศหนึ่งทานสถานะนี้ก็เทียบกันในหลักสถานเดียวกันว่าไหนมีผลมากกว่าันทีนี้เมื่อเทียบก่อนที่จะพูดในรายละเอียดนะครับสองสองอย่างนี้เทียบระหว่างปาฏิบุคลิสสฐานกับสังฆฐานเทียบระหว่างนี้นะครับอันไหนเป็นเรื่องของเพื่อน สังฆทานดีที่สุดได้บุญมากที่สุดคือพูดง่ายว่าเราทําประโยชน์แก่แก่บุคคลโดยส่วนตัวกับทำประโยชน์โดย<ม>เป็นส่วนรวมได้ผลได้ได้ทุญมากกว่นะครับแต่ น, นี้มันก็มีข้อยักเย้วยที่จะต้องพกันอีกเยอะแต่ว่าผมจะให้พูดให้มันเลยถึงขนาดนะั้นเอาเรามาเราไล่มาดูก่อนนะในประเภศของปาติบุญได้ทรแสดงว่า ให้ทานกับบุคคลเป็นเอกเทศทีท่ได้ผลมากที่สุดก็คือถวายทานแกพระพุทธจามีผลมากอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังก็มีกระบอกไม่ได้พระุทจายังบอกไม่ได้บอกซะเลยกระตาการว่าท่านบอกว่าไม่ีผลน้ำไม่ได้ป็นแค่คำว่าอันนี้อันสงไข นับประมาณไม่ได้ต่อไปก็คือตักพระประัดเกศทั้งทุนและรปัดเกศก็ให้ผลนับไม่ได้เหมือนกันดีที่สองนะคระดับที่สองระดับที่สามก็คือทำแก่พระอารหันต์ที่สี่คือทำแก่ผู้ที่กําลังปฏิบัติเพื่อบรรลุษนาลัย คำว่าปฏิบัติเพื่อบรรลุอลหรหันต์มีความหมายถ้าเอาองค์ทำกันอย่างหลักเลยนหมายถึงอหรหัตผลแต่ว่าในแง่หนึ่งเช่นในในตัวนี้ท่านหมายถึงผู้ที่กําลังบำเพ็ญเพียรนะครับเพื่อบรอลรลุอรหัตผลซึ่งเขามายความว่าเจตนาทามีที่กําลังจเจริญับมิจฉเพื่อพยายามจะให้บลุอลหรหันตอย่างนี้ในวารผู้ ที่กำลังบวาเป็นเพียงรเรืเ่นปรารภทบุญกระทได้ผลมากเป็นระดับที่สี่แล้วก็ที่ห้าก็คือพระอนาคาคารองลงมาก็คือผู้ปฏิบททัติเครื่ออนาคาที่กก็คือพระสติาการที่เจ็ดผู้ปฏิบัติเครื่องนุรุษสกิทาการที่สูงรตัาา้งะที่แปดสา กผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุตนั้นอนี้ไล่มาโดยลำดับซึ่งเป็นอริยบุคคลท้งนั้อสิอธินะรับเมริกานรวมแล้วสิบก็จาง่ายๆว่าพุทธาปัจเจกแล้วก็อริยบุคคลสแล้วก็ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยบุคคลสี่ตอนสลับกันไปก็รวมเป็นสิบุคคลทีนี้อีกสี่ก็คือ ทางบุญกับชาญบุตรชนนะครับอา ญ, ญาบุคคลได้ผลเป็นสงไขเหมือนกันหมดเลยนะพอ่พอพ่อเป็นโทษเป็นบุตรชล์ที่ลูกเรเป็นบุตร ช, ชน์ข้าเกี่ยวบุตรชนแต่ว่าท่านแบ่งบุตรชนที่นอกเขตตรงนี้ลงเลยลงไปนะครับว่าคือพวกไหนพวกชาญบุตรชน พวกได้ีญาเวา็นสีเราฝันตเพราะฉะนั้นปุีช่ชนที่ใด้โตดาเนี่ยก็คือคู้ปฏิบัติเื่อบรรลุถึงอย่างเราเนี่ยสมมติว่าเราไปปฏิบัติถ้าแดงไปสองครัอ่ า, อานั่นอย่างเราถ้าไปใช่แช่อีกทไปตั้งบนอีกองอ่าอาอ่า ที่อยูกับทุกคนแต่ก็เปสิ่งใน ท, ที่ที่ให้ที่ทวงมาให้ดีแล้วมาเปที่ไอคอนที่ิ้น ม, มาในว่ดเป็นปุถุชนนะเพราะฉะนั้นปุถุชนที่อย่างที่เรานักถือกันว่าชอบตัตง้งนักเทศน์ศาสนาชอบทำบุญกับสำนสักปฏิบัติเข้าข้อนี้กว่ดีก เรียงว่าโอกาสที่เราจะทำโดยปาร์ตี้ปกติแล้วที่เราจะทำระดตบนักนี้มันจะปาริตีด้วยนะเป็นเป็นเรืยกว่าสงเคราะห์เป็นสงได้นะ่ะดับนักนกกันมีทั้งสงมีทาาัว่าก็เอาโดยเทศก็ียกว่าคนหัวอมาหลือเอ า, โ ด, าโดยคุณธรรมโดยคุณธารมก็ ล้วก็เรียนว่าทำเหนือเนียวว่าก็มีโยมการตามความเชื่อเนี่ ถืงพวกรอกศาสนานะครับถ้าเป็นพวกฌานในศาสนานั้นที่ที่เข้าใจเรื่องศนาแนละ้วก็ทำฌานเพื่อความบรรลุหรือเพื่อเป็นบาปแก่มาผลนั้นถือว่าเป็นสายสายโซดานะครับเพราะนั้นท่านจึงแบ่งฌานอภิญญาเป็นสองสายคือปาสัการ์านกับเป็นเวียนฌานนะครับฌานนอกศาสนา ในที่นี้มายถึงชางนอกต่างศาสนาสำหรับชาแนลภูมิชนนั้นท่านยังบอกอนิสงฆเอาไว้ตั้งแสนโกรธเท่าคำว่าแสนโกรธเข้าหมายความว่าย่างังไงบางแห่งเขาแปลแค่แสนโกรธบางแห่งเขาไต่เป็นชาแนลแสนโกรธเท่าเท่าของอะไรกั้งทีนะเอาคุณกินกด้วยพูดยากนะครับตนนัวนี้แต่ว่าท่าเขาพูดเราๆว่า เขา่นโกรธท่านามหมายเป็นอายุวนาตุกะปณิภานาาันนนี่นะอย่างลแสนโกรธั้นโกรธเท่านมวยอันตาพาสแสนโกรธแสตาแสนโกรธกก็เอาความว่าอายุวนาตุก ะ, ะ, ะ, ะ ภ, าภาะใ น, นนะะแ่นโกรธชาติเรียกวากินเงินไม่หมดไปสิเดี๋ยวะทาบุญจะบูนี้ เพราะฉะนั้นที่เราไปทํบาบุญแบาตามเขาตามท่านตามคนนักท่า น, นอย่างเช่นสาจาย์ามั่นอะไรนี่นะครับก็ได้บุญ น, นะครับซึ่งเราไม่เคยพูดถึงค่าขั้นมรดกว่าอย่างไงนะครับเนี่ยเราหลับหูหลับตาทําไปด้วยความเข้าใจเอาแค่นี้ได้ผลมากนะและ้วไปทําบาปละท่านก็ก็มาถึง้าแล้มันก็ต้องต้องระวังได้ดีกัน ต้องดูเถื่อนไปเถ่อนก็น่าทำบุญนะครับถือว่าเป็นเป็นผู้ที่น่าทำบุญทั้งนั้นที่ท่านปฏิบัติถึงแม้ว่าจะบังเอิญไปได้แค่นี้ก็ตามแต่นี้อีกประเภทหนึ่งพวกที่สองก็คือพวกสีและกุฎิชนสีและกุฎิชนคือกุฎิชุผู้มีสีกุฎิชุนผู้มีสีสซึ่งคหมายถึงอย่างเลาเๆ่าๆขึ้นไปเนี่ย ไปถึงเจะตั้งผูรที่ไม่เด็ดาดถือว่าเป็นปุตชนผู้มีศีทการทำบุญกับคนพวกนี้ยมงว่าจะเป็นกัลยาณสถานท่านว่าได้อารีสมแสนโกรทาบรบรลุโลกะแสนเท่าในสายโกรทาแสนเท่าอันนี้ก็จะเห็นว่าลองหวางข้ามนักปุตชนกับศีลนักบุตชนนั้น อา น, นิสงส์ห่างไกลกันทวีคูณมากเลยคือต่างกันกับพวกต่อไปนะพวกต่อไปหรือพวกทีสิบสามก็คือพว ก, พว ก, พวกวทุกศีลบูรพชุนทบุญกับพวกทุกศีท่านว่าได้อา น, นิสงส์ผันธรรมทำอันล1สิบสี่ทบุญกับสัจระฐานได้อา น, นิสงส์ร้อยพั เป็นสุดท้ายท่านไปจะะาระใยไปถึงเปรือกเซลกายแบบนั้นเนาะตองตายตงไปละทำไมยังไม่พูดเลยไปถางพวกนั้นนะเพราะว่าท่านต้องการจะพูดในแง่ของการให้ในเรืี่หมูี่แมวเนี่ยครับเพราะพวกนั้นเนี่ยไม่เป็นพวกนอกวิสัยึี่จก เรียกกันมาเรียกว่าจะเอ า, เอาเอาข้าวเอาปลาไปคุเป็นไปแมวให้อนุภมมาพได้แต่จะไปคุกค้นแมวให้ให้เปรยให้อะไรคงไม่ ไ, ไ, ได้ก็อย่าไปคุกในเรื่องที่มันมันลึกเลยไปกว่านะแต่ก็ให้ในลูปอื่นได้เท็านที่สุคุสนี้นะแต่วางคู่ก็ไม่ได้แม้ที่สุคุสมตัด<ม>ก็ก็ไม่พูดแะให้เป็นปัญหาจะจบแค่นี้เพราะฉะนั้นจากหลักปาฏิหาริยที่เห็นว่า โดยบุคคลและถือว่าคุณที่จ่าเป็นแบนตัดเบรายขานเป็นอันดับสุดท้ายอันนี้เป็นการกล่าวเป็หมวดรวมไม่ทํางไ้นั่งแจกว่าตัดเบราานประเทศไห น, นก็ไม่ยังมีออกไปอีกนะครับออกว่าแกนี้ตัดมีคุณตัดไม่มีคุณไปข้ า, ขา ว, า ม, าาวมันข้าวไดบาตมากไดบาตรน้อยไปช่วยคันข้าวได้บุญมากได้บุญน้อยอันนั้นก็ยังต้องหลังกันออกไปอีกนะครับถึเป็นเรื่อง ที่ต้องไหวกันในบางแห่งที่ภูฏานีย์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเขาไหวาทานแบบพระพุทธเจา้านี้ไม่ไม่คนรจะกล่าวว่ามีผลมากเนี่ยจีความนิดหนึ่งคือไม่มีผลเลยได้นหมครัมันก็เรียกว่าเกินไปนทําบุญพระพุทธเจ้าไม่มีผลหรือเป็น ไ, ได้ยังไงทํงาุญพระพุทธเจ้ามีผลน้อยครว่าน้อยกว่า นี่ก็ไม่ไดพูดละเอยียดว่าน้อยกว่าใครน้อยกว่ารับปัดเกศเขียนกันสองคนก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยูอย่ยแลถ้าบอกว่าน้อยกว่าตัดเนนานเนี่ผมว่าแทนที่จะหข้าวว า, วายราักบุจ้าคุณเดียวควเลยไปเขียนตำราหูข้าวเ่งหมูเรื่องแมวดีกว่าอย่างเป็นเป็นก ร, รมไป ก็ไดพูดถึงขนาดให้มาฟังเหตุผลว่าทั้งไงเขาถึงมีความเห็นอย่างนี้ตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากความคิดเรื่องพระพุทธเจ้าในสองขางเรื่องก่อนเนี่แหะครับว่าสองเรื่องก่อนหน้านี้ว่พระพุทธเจ้าองค์จริงนั้นตรงติดจิตจิตสวรรค์กันดาติองค์งที่อยู่ในโลกนี้เป็นแต่เพียงองค์สมมติ เมื่อเป็นองค์สมมติก็สแสดงว่าพราะองค์ไม่ได้รับจริงเองนะครับที่ลับเนี่ยใช่ว่าเหมือนเป็นพภาพพยมเป็นเงาของท่ไม่เองค์จริงคนระับรับไปแค่มาคอยสวรวิ่งเาไปใช้สอยองค์จริงก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยจึงกล่าวว่าเพราะทาง น, นั้นไม่ได้สําเร็จประโยชน์แต่พระผู้มีพระภา พ, พระองค์จริง เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าการให้ทานแก่ทัพพมทธิพระภะที่เป็นองค์กรเนี่ยครับว่าจนระิงๆยังไงเป็นองค์เราไม่มีอะไรของมากเลยมีผล น, นี่พูดอย่างนี้แสดงวิเดผลอย่างนี้อทีนี้เราก็มาดูกันดีว่าหลักที่เขาว่า ถ้าท่านลองคิดดูนะครับเราให้การกับผู้เจ้านั้นเราอาจจะให้เป็นวิธีการต่างๆให้แบบจากมือเราถูอพะหัตท่าก็กกได้หรือจะฝากคนอื่นก็ได้อียนี้ก็มีแบบลบพระท่านฝากกันบางทีโอหนึ่งปลูกโอหนึ่งปลุกโอหนึ่งไปไปไปยินรับบาของฝากโอนั้นมาให้ ท, ทีนี้จะจะษษี่พรเจ้าทีละเจรบอยคือเาเรียกาฝากความขรลกฝากความระลึกถึงฝากความปรารถนาดีแค่นั้นนะครับเย่งเ่นนางสุปวาสาเป็นต้นตัวเองตั้งท้องเจ็ปีไปเฝ้าไม่ได้แวปีเดียวดี เ, เดียวก็ส่งคนไปแล้ว ก, วก็ฝากความขรลกไปรูจ่ากขาทงให้พรมาคลอดเลยคลอดในวัดศูนพระดำราทันทีดี เนื่องไม่ออกอนนี้ว่ามีใครเคยฝากอะไรไปหรือนางพ่อนางนางพะนาง่ไหมพระนางมีฝากหลอกตาขนาดใจเย็บเพื่อถวายอุตจยาอ่านะยิ้มประมเองเพื่อถวายนะแต่ยังไงก็ตามืราทำกับมือเพื่ออุติยาเราทากับมือสัท่านก็ดี ฝากคนอื่นไปก็ดีหรือพ้าองค์ทรงเนรมิตรพระองค์เป็นพุทธนิมิตแล้วบุคคลนั้นได้ถาวายกับมือของพุทธนิมิตเลานะเมือหลายคนนะคะรับยกตคืออย่างเช่นหญิงพาสีคนหนึ่งแกก็ไม่มีความสุขในชีวิตน ะ, ะวันหนึ่งแก น, นอนไม่หลับแกก็มาตั้งคิดแล้วแกรู้สึกว่า เ, เป็นเวลาใก ล, ล้รู่แล้วพระพุทธเจา้าเลยทรงเห็น ก็ทรงอย่างดูว่านานคนนี้จะได้บรรลุไ ด, ด้ก็ปราศนากระโดดได้ทรงทาพุทธนิมิขึ้นไปรัก บ, บินธบาติหรือไปเดินเพื่อบินธบัติขนมของแป้งนี่ทำอย่างา ง, า ง, าาง่งายๆแกกำลังกกำลังะกปนอย่างห้าหานิดนเย็นเข้ามาเกิดอะไรเอามาถวายพระที่ได้รู้ที่จ้เาเลยท่านอยากจะให้ในบุญมาก แค่เพื่อนจะไปถาดี่ว่าท่านว้ดฉันไม่เห็นหรือนจะไปเยี่ามนตรงนั้นเหรเพียงแ่ว่าไปหลบฉันในที่ไกลพอควรแต่พอจะเห็นนะเพื erm ่อให้นางเกิดความดีงามองค์ฉันเรื่องค์จริงะเป็นพุทธินี้แต่นางพูทําเนี่ยได้คำอุทิศแด่พระอุตจาร์เพราะฉะนั้นการําที่แด่พระอุตาร์นะจะมีูปลักษณะยิ่งหมูยิ่งแมวหรือแม่ปลาได้ผลได้ผล มาไม่ไม่เข้ากันจริงจริงแต่ว่าพูดแต่ว่าถวายแก่พุทธเจ้าใช่นะพูดให้ว่าถวายแก่พระพุทธเจ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเต็มรูปของตับปุริตาลแค่ไหนในข้อเรียกว่าทําโดยฟังพระโลกหรือยื่นแต่ทำยื่นเลยนะหรือในลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่บ้างว่าพราะองค์ได้เคยตรัส ในบางกรณีนะครับเป็นเชิงรับรองบุญนิสสิยาบางอย่างว่าไม่ได้แต่ทากับคนอื่นในบางบางคนบางกรณีก็เหมืองเหมือนจะรับรองว่าได้ชื่อว่าทำโดยองค์เงินท่านคงจะนึกได้นะเนี่ใช่ครับพยาบาลดิศว่าท่านนี้เช่นในวินัยเด็กเป็นห้า นอนจมพอง พ, พูดของผูู้้ด้วยอยู่ในอุติเม่มีใครเหลือแรงพระพู้่เจ้าต่าง ร, รู้แล้วท่านรู้ต้องการจะดต้องการจะบัญญัติยี่นยนนอะไรแต่ไรใ น, นแ ง, งกา ร, การกปกครองด้วยท่านก็ชวนทานนนเส ด, ดไปให้ทานนไปตักน้าตรงน้ ำ, นำแล้วก็ให้ระพระผู้ช่วยเจ้าทรงเทน้ำใ ห, ห้ท่านนอนผู้ด้วยท่าน ผู้จ่อยู่ตรงหัวหน้าโรงยิงปลายทางชีวชีว จ, จัดการสร้างเฉลียงร้อยผ้าห่มผ้าอะไรถึงไม่เรียบร้อยหมดพยาบาลเนี่ยดีองค์ที่โรงพยาบาลเป็นถามบอกว่าลูกบอลอิสุเป็นอะไรไปอิสุก็ตอบว่าเป็นโรคท้องร่วงกรถาการถามว่าไม่มีใครพยาบาลเลยเธอเลยเฉลิ้มบอกว่าไม่มีเลยเพราะอะไรล่ะเพราะวพาพระองค์ทำอะไรทำประโยชน์กับอิสุเหล่านั้นเลยหุ่นไทยวกะ เป็นางที่ไม่ม yeah, ีรูปท right? ังผันเป็นค่าอย่างนั้นนะก็เลยป่วยขึ้นมาคนเราที่ป่วยเล็กน้อยเนี่ยป่วยถึงเส้นกันบ้างเห็นไหมขนาะคนพอจะมีบุญคุณอยู่บ้างแต่ป่วยนะก็มีลรกตาดีก็เซ็งไปต่างๆป่วยก็เค่ป่วยระดับก็เลยทิ้งมันหมดเห็นเเรื่องธรรมดาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วคับเป็นเรื่องทีมตาไม่มีใครตัวใจพระพุทธเจ้าขอท่าน พยาบาลเสร็จท่านพก็ประชุมสงฆ์ทันทีแล้วก็ตรากถามว่าพราองค์เรื่องที่อยู่กุฏิโน่มันเป็นอะไรเราจะถามอย่างที่ถามพ้าองนั้นจะถามว่านั้นทําไมเมื่อไปไปพยาบาลที่สู่โงค์นั้นก็ตอบเขาบอกว่สู่องคนั้นไม่ได้ทําประโยชน์ใดแกสงฆ์เลยเลยไม่มีการพยาบาลเดีย๋ยวนี้พอท่านถามเสร็จแล้วพวกได้เจ้าก็ได้ทรง บญญางอย่างที่ขาบวทคือด้ว ย, ยจากนะวันเมื่อพิสูุคือว่าพิสูกที่ขเข้ามาบวชเนี่ยพอแม่อกน้องไม่มีถุพูดง่ายมีแต่พวกเราดังนั้นพรหมเอกีน้องไ ม, ม่ีเหมือนกับคนไม่มียาตเพราะฉะนั้นพิสูกนองค์ใดองค์หนึ่งเกิดอาฆาต อ, อ, อุปชัญชาญานอันดับหนึ่งเนะครับที่ต้องพยาบาลก่อ ที่สองถัดมาคืออาจารย์อาายุปชาคือผู้บวชอาจารย์คือผู้สอนแล้วก็ถัดมาก็คือสัตทิฏฐมหายคือคนในปกครองอันเตวาสิลูสุสิเป็นอนดับที่สแล้วก็อันดับที่ห้าก็คือเพื่อนผู้ร่วมอาาุปชาก็ดีอันอ คนทีเหนือนั่งขึ้นไปจะต้องรับผิดชอบทีนี้ถ้าอุปชาว่ามีเพื่อนร่วมอุปชาก็ไม่มีมาโดยลําดับท่านบอกว่าสงต้องรับผิดชอบต้องพยาบาแลแปลว่าถ้าพระในการไปเห็นพระปุณโณคนเดียวจะทรับไม่มีใครเลยพระองค์นั้นเห็นแล้วว่าอกตัวไปตัวมาเย็นคันเย็มันกามไอกันมัน อื่เป็นแค่นั้นหรอออาบัตครับท่านเาบอกว่าอาบัตถูกกดตัออาบัตนี่เป็นข้อบังคับหนะึ่งข้อบังคับแต่ถ้าเรามีคนอื่นทีรับผิดชอบอยู่และเราไม่รับอะไรนี่ไม่เป็นไเพราะว่าจะต้องพรา ว, า, า, า, า, าว่าธรรมตาตระดัดชักหรือจะหาว่าไปไปรักคิวเ้าหรือว่าไปไปทําตุรัดไม่ใช่จิงจริงแล้วอาจะติดกันไ ในแบบในที่สุดว่า